ท่านเคยเล่าว่าวันหนึ่งพาลูกศิษย์ที่เป็นพระชาวเยอรมันเข้าไปในเมืองไปลมเรื่องการดูแลชล่วยเหลือผู้ป่วยเองเสร็จแล้วก็กลับไปพบปากนักเรียนโรงเรียนกาญจนาพิเศษที่ท่านไปสอนอยู่เป็นประจำท่านเด็กนักเรียนเห็นพระฝรั่งก็มารุ ม, มตุ้มลนะักถามท่านหลายเรื่อง ยินคําถามมาจกนกระทั่งตัวภาพฝรั่งนี้มึนเลยเสร็จแล้วตอนกลับท่านก็พูดกับอาจารย์พันชิดวา่าอยู่วัดมาต้องนานเพิ่งรู้จักวัดวันนี้เองที่ผ่านมานี้ไม่รู้จักวัดเลยท่านก็ถามวา่ารู้จักยังไงเหรอภาพฝรั่งก็ตอบว่ารู้ว่าวัดนี้มันสงบสงบแล้วก็ไม่มีเรื่องวุ่นวาย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 มันโดนอะไรนิดเดียวก็ปวดเลยนะมันโดนอะไรนิดนิดเดียวไม่ได้เลยปวดมากพูงง่าคือว่าตาหูวจมูกลิ้นกายนี่มันพิดผลิตไปหมดมทําให้เขานี่ไม่สามารถออกไปไหนได้เลยออกไปไหนก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่องแด ก, ก็จ้าฟังเสียงก็สับสนไปหมดเขาทุกมากเลยสภาพอย่างนี้เอดจะไม่รู้สึกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้เจออย่างนี้เขานี่มันจะรทุกมากเลยแล้วเขาไม่รู้จะอยู่ได้ยังไง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 เรามีคนรักอยู่ใกล้ๆมีพ่อมีแม่มีมีลูกมีสามีภรรยาอยู่ใกล้ๆเราก็ไม่รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่มีค่ามากไปกว่าความสําเร็จหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆต่อเมื่อเราสูญเสียสิ่งนั้นไปเราถึงค่อยมาได้ตระหนักว่าไอ้ที่วิ่งค ว, วายคว้าต่างๆนี่ซึ่งจะได้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้อะมันมีค่าน้อยกว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว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 ซื้อของซื้อปัจจัยให้แต่ว่าใจประมงวลไม่มีอะไรเลยและมีครังนแกก็เดินผ่านดอยธนนทก็ขึ้นดอยธนนทระหว่างที่ขึ้นดอยถนนเนี่ยวันนั้นไม่ได้กินข้าวเลยก็มังก็เลยแรงไม่ค่อยมีแต่ก็ต้องจะว่าจะไปให้ถึงให้ได้ในในวันนั้นแต่พอจะไปถึงแล้วนี่ปรากฏหมดแรงรู้สึกเหนื่อยมากหายใจไม่สะดวกเลยอยากจะพยายามไปถึงให้ได้แต่ว่ายิ่ง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 ในวันนั้นแกก็ทํางานเต็มที่นะทำงานดึกดืน่นเครมขำเคร่งกับงานเสาร์วันที่กรแทมไม่ได้หยุดแกก็เป็นคนดีนะแต่ว่าทํางานแ ล, ล้วเครียดทำมาได้สิบกว่ปีปรากฏว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งซึ่งก็อาจจะเกิดจากการกรางานมากและเมื่อตอนที่แกรู้ว่ามะเร็งนี้คงจะรักษาไม่ได้ก็มาได้คิดว่าการที่เรากรางานนะคําเคร่งกับงานนี่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 มุ่งหวังไปที่จุดหมายปลายทางข้างหน้าแล้วคิดว่าเมื่อถึงตอนนั้นแล้วถึงค่อยกลับมาหาความสุขกลับมาอยู่กับสิ่งที่เรามีให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรามีตอนนั้นอาจจะสายไปสัแล้วทําไมเราไม่ไม่ให้ความสําคัญหรือว่าให้เวลากับสิ่งที่เรามีอยู่เสียแดดเดี่ยวนี้หรือให้คุณค่าของสิ่งนั้นอันนี้แหละก็มันก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือว่าเราจะเห้คุณค่าของสิ่งใดก็ต่อเมื่อเรากําลังจะพัดพราดจากสิ่งนั้นไปหรือพัดพลาดไปแล้ว แต่ถ้ามันยังมีอยู่กับเราเราก็ไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่บางคนเสียดายเสียใจนะที่ลูกตายก็เอาแต่คร่ำครวญลูกทั้งๆ ท, ที่ลูกอีกคนนึงก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่สนใจไปนึกเสียดายกับคนที่ตายไปแล้วนึกเสียใจคนที่ตายไปแล้วไปลืมคนที่ยังอยู่ว่าเขายังอยู่กับเราแทนที่เราจะไปคร่ำครวญกับคนที่จากไปแล้วทาไมเราไม่ให้เวลากับคนที่ยังอยู่กับเรา